ปีหนึ่งกินตั้งกี่เดือน9้าเดือนออเห็นไหมใครจะดีกว่าใครแล้นะไม่กินได้ก็ดีที่สุดนะเหมือนลองดูว่าในพรรษานีลองตั้งปณิธานกับตัวเองดูต้องลองอธิษฐานฝึกอธิษฐานนบารมีดูในข้าพพันานี้เราจะทำคุณงามความดีอะไรลองดูสเดือนเช่นเราจะไม่ช็อปปิ้งถ้าไม่จำเป็นนะ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 ธรรมะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาคำวิปั ส, สนาแปว่าเห็นเอาคำว่าปั ส, สนาแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่การคิดการคิดเรียกจินตาจินตะนั้นต้องต้องรู้เอานะคอรู้สึกเอานั้นใจเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวเราครรู้นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเ น, ะนี่ยคนซึ่งมีผ้าลูกไม้คลุมอ่ะรู้สึกเปล่ า, เ, าเพ่งสลับกับเพลอดูออกไหมนะ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 วันนี้เทศได้แค่นี้นะเชิญไปทานข้าว